ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยยะสังหะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมมาขาโมแปลเรื่องที่สามสิบสี่ปกิณกะวินิฉยะกถากถาวินิจัยว่าด้วยเรื่องเบตต็ดะเล็ดต่อ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการบอกลาเข้าบ้านบอกลาพิกสุที่มีอยู่ในคำว่าสันตังทิขุงอนาปุฉานี้มีวิธิใัยดังต่อไปนี้พิกสุชื่อว่ามีอยู่ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่ชื่อว่าไม่มีด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่คือพิกษุผู้อยู่ในสถานแห่งใดภายในวิหาร เคยมีความคิดว่าจะเข้าไปเยี่ยมตระกูลตั้งแต่นั้นเห็นภิกษุใดๆที่ข้างๆหรือตรงหน้าหรือภิกษุใดที่ตนอาจจะบอกด้วยคําพูดตามปกติได้ภิกตุนี้ชื่อว่ามีอยู่แต่ไม่มีกิจที่จะต้องเที่ยวไปบอกลาทางนู้นและทางนี้จริงอยู่ภิกษุที่ตนต้องเที่ยวหาบอกลาอย่างนี้ชื่อว่าไม่มีนั่นเอง เฉะนั้นการบอกลาพิกษุที่มีอยู่นี้หมายถึงว่ามีอยู่ตรงหน้าหรือว่าอยู่ข้างๆตรงนั้นแล้วก็พูดตามปกติด้วยว่าผมขอลาเข้าบ้านแต่ว่าถ้าจะต้องเที่ยวหาข้างนู้นข้างนี้หรือว่าจะต้องตะโกนบอกอันนี้หมายถึงว่าเป็นพิจุที่ไม่มีอยู่ไม่ต้องบอกลาอย่างนี้เข้าบ้านก็ไม่มีอบัตอีกในหนึ่งพิกษุไปด้วยทําในใจว่าเราพบพิกษุภายในอุปจารีมาแล้วจัดบอกลา เพงบอกลาพิสุที่ตนเห็นภายในอุปจาระสีมานั้นถ้าไม่เห็นพิกสุชื่อว่าเป็นผู้เข้าไปในบ้านไม่บอกลาพิกสุที่ไม่มีอยู่แม้ในการเข้าไปตูบ้านในเวลาวิการก็มีไหนนี้แหละเพราะนั้นการบอกลาพิสุที่มีอยู่นี้จะมีสองติขาบทก็คือจริตตติขาบทหมายถึงเป็นผู้ที่มีพัทอยู่แล้วได้รับนิมนต์แล้วเนี่ยจะก่อนฉันหรือว่าหลังฉันคือบริพัทหรือว่าปชาภัทก็ตาม ถ้าไม่บอกลาทิกฐุที่มีอยู่แล้วเข้าไปในระแวกบ้านต้องอบัติปะจิตตีอันนั้นเป็นจาริฏฐาบทแต่ว่าจะเข้าไปในระแวกบ้านในลาวิการไม่บอกลาทิกฐุที่มีอยู่ก็อบัตปปะจิตตีเหมือนกันคนละข้อกันก็ถ้าว่าพิสุมากรูปด้วยกันจะเข้าไปยังบ้านด้วยการงานบางอย่างเธอทุกรูปพึงบอกลากัรและกันว่าวิกาเลคามปะปเวสนังอาปุฉามิแปลว่า เราบอกลาการเข้าบ้านในเวลาวิการต่างควรต่างบอกกันก็ไม่เป็นอบัติก็พ้นจากอาบัตดการงานนั้นในบ้านนั้นยังไม่สําเร็จเหตุนั้นที่ตุ่จะไปสู่บ้านอื่นแม้ตั้งร้อยบ้านก็าตามทีไม่มีกิจที่จะต้องบอกลาอีกก็คือจากบ้านไปสู่บ้านก็ไม่ต้องบอกลาแล้วกิจการงานนั้นยังไม่สําเร็จก็ถ้าว่าพี่ตุระงับความตั้งใจแล้วกําลังกลับไปยังวิหาร ใครจะไปตู่บ้านอื่นในระหว่างทางต้องบอกลาอีกทีเดียวก็คือเมื่อกิจการงานเสร็จแล้วตั้งใจกลับวัดแล้วแต่ว่าเกิดนึกขึ้นมาได้จะไปตู่บ้านอื่นในระหว่างทางนี้ต้องบอกลาใหม่ทําพัฒกิจในเรือนแห่งสกุลก็ดีในโรงฉันก็ดีแล้วใครจะเที่ยวพิจารน้ามันในโรงฉันนี่หมายถึงโรงฉันในละแวกบ้านเมื่อทําพัฒกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในสกุลเรือนหรือว่าในโรงฉันจะไปเที่ยวพิการน้ํามันหรือพิกษารเนยใสก็ถ้ามีพิกษุอยู่ใกล้ๆพึงบอกลาก่อนแล้วจึงไปถ้าไม่มีพิกจุก็ไม่เป็นไรไม่บอกลากพิกษุที่ไม่มีอยู่นี้ไม่มีอบับดุเมื่อไม่มีพิกจุพึงไปด้วยใส่ใจว่าพิกษุไม่มีย่างลงสู่ทางแล้วจึงเห็นพิกจุไม่มีกิจที่จะต้องบอกลาก็คือถ้า ลงสู่ทางที่เข้าและแวกบ้านแล้วเห็นพิจุแล้วก็มันจาเป็นต้องบอกลาละแต่ว่าบอกลาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเป็นเครื่องเตือนสติก็ได้แต่ว่าให้รู้ว่าไม่มีอบับปางแม้เจอพรพิจุเต้าลงสู่ทางแล้วแม้ไม่บอกลาก็ควรเที่ยวไปได้เหมือนกันมีทางผ่านไปท่ามกลางบ้านเมื่อพิจุเดินไปตามทาง น, นั้นเกิดความคิดขึ้นว่าเราจะเที่ยวพิจารณ้มันเป็นต้น ถ้ามีพิกตุอยู่ใกล้ๆพึงบอกลาก่อนจึงไปแต่เมื่อไม่แวะออกจากทางเที่ยวไปเพื่อพิษาไม่มีกิจจำเป็นต้องบอกลาก็คือทางจะไปวัดผ่านละแวกบ้านเนี่ยเดินไปได้นะแต่ว่าถ้าจะเที่ยวพิกษาน้ามันนี้ต้องบอกลาพิกตุที่มีอยู่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องบอกลากถ้าสีหา ก, กาดีเสือโคร่งกดีกาลังมาเมฆตั้งเขาขึ้นกดี อันตรายใดๆอย่างอื่นเกิดขึ้นก็นดีในอันตรายเห็นป่านนี้จะไม่บอกลาเข้าไปยังภายในบ้านจากภายนอกบ้านควรอยู่อันนี้ก็ถ้ามีอันตรายหรือว่ามีเหตุต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเข้าไปนวัวงบ้านได้ก็คือมีกิจธรีบหรือว่าธุราร้อนนะหนึ่งที่สุดใดไม่อำลาที่สุดผู้มีอยู่ถึงการเที่ยวไปในสกุลทั้งหลายในเวลาวิการเว้นไวนแ้แต่กิจธรีบ หรือว่าธุระร้อนเนี่ยคือธุระร้อนนี่ก็ถ้ามีกิจเรก็ไม่เป็นไรไปได้ไม่ต้องอับดับกไปเรื่องผ้าบางสกลุลที่จกที่ยังอุ่นยังสดอยู่อันที่จุไม่ควรถือเอาเมื่อถือเอาต้องอับดับทุกกดถ้าศพยังอุ่นอยู่นี้ไม่ควรถือเอาอย่าถือเอาต้องอับดทุกกดด้วยและอันตรายย่อมมีแก่ที่จุนั้นก็คือ ถ้าศพยังไม่แตกมีพวกอมนุษย์เข้าไปสิงในศพได้เหมือนกับต้นเหตุที่พระเจ้าแสดงว่าจะต้องถือผ้าบรรคุลจากศพที่แตกแล้วเนี่ยนะเพราะว่าพวกอมนุษย์พวกเปรตนี่ไปสิงอยู่ในศพนั้นเพราะว่าหวงผ้าอยู่แต่ว่าถ้าศพแตกแล้วนี่เขาก็ไม่หวงแล้วนะเขาก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่เมื่อศพแตกแล้วควรจะถือเอาอยู่เพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลาย ้าบางสกุลที่ศพยังไม่แตกอันที่จุไม่ควรถือเอารูปใดถือเอารูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎดังนี้ถามว่าก็ตนศพจะจักว่าแตกแล้วด้วยเหตุเพียงเท่าไรตอบว่าแม้ด้วยเหตุเพียงถูกจะงวยปากหรือว่าเขี่ยวอันสัตว์ทั้งหลายมีกาพัางพรสุนักและสุนักกินจอกเป็นต้นกับแล้วนิดหน่อยอันนี้ก็เรียกว่าแตกแล้วนะถูกสัตว์กั กินนิดหน่อยก็ชื่อว่าแตกแล้วส่วนอวัยวะของตบใดที่ล้มลงเพียงผิวหนังถลอกไปด้วยการคลูดสีหนังยังไม่ขาดออกศพนั้นนับว่ายังสดทีเดียวก็คือถ้าผิวถลอกไปนิดหน่อยนั้นก็ยังชื่อว่าสดยังไม่แตกแต่เมื่อหนังขาดออกแล้วจัดว่าแตกแล้วต้องเอาหนังขาดนะถ้าหนังขาดนี้ชื่อว่าแตกแม้ตบใดในเวลายังมีชีวิตนั่นเอง มีฝีโรคเรื้นและต่อมหรือแผลแตกชนทั่วไปแม้ศกนี้ก็ชื่อว่าแตกแล้วถ้าเป็นฝีเป็นต่อมเป็นโรคเรื้อนอะไรนี่แล้วตายอันนั้นนะ่ะแตกแล้วถือว่าผานบรพบุรุษได้ละตั้งแต่วันที่สามไปแม้ตรีระที่ถึงความเป็นซากศกโดยเป็นศกที่ขึ้นพองเป็นต้นจัดว่าเป็นศกที่แตกแล้วโดยแท้แม้ว่าหนังยังไม่ขาดแต่ว่าสามวันไปแล้วเนี่ยนะมันขึ้นอืดทองและยังไงก็ แตกแน่นอนนะนะน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรมันก็ออกจากวาวรทั้งเก้าแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือเอาผ้ามาสกวลได้เหมือนกันอันหนึ่งแม้ในศพที่ยังไม่แตกโดยประการทั้งปวงแต่คนผู้ดูแลป่าช้าหรือมนุษย์เหล่าอื่นให้ถือเอาควรอยู่ถึงแม้เป็นศพใหม่ๆเราเห็นคนตายก็เดินเข้าไปดูก็เป็นคนที่ตายใหม่ๆพวกคนดูแลป่าช้าสัรเลอหรือว่าใครกแล้วแต่เจ้าของ พงญาติของศบึังหลาเห็นวิสุมาบอก อ, อ้า น, นิมนต์ท่านถือผ้าบางส่วนไปได้เลยอันนี้ก็ุควรถือเอาไปได้ถ้าไม่ได้มนุษย์อื่นที่จะช่วยทำกัติยะให้อ่ะควรจะเอาสาราหรือว่าวัตถุอะไรทำให้เป็นแผลแล้วจึงถือเอานี้ทำาด้วยตนเองก็ได้นะก็คือไม่มีจับเปล่าไม่มีใครมาทำให้ศเนั้นแต่ตัวเองก็ทาได้ก็คือเอาสารามามาทาให้เป็นแผลอาจจะไปขีดที่ หรือว่าที่ไหลที่มือให้หนังขาถือเอาได้แต่ในตบเพศตรงกันข้ามพิจุควรตั้งสติไว้ประคองสั ม, มณสัญญาต่อรู้นะเราเป็นพระนะเราเป็นพระห้ามคิดไม่ดีประคองสั ม, มณสัญญาให้เกิดขึ้นทำให้เป็นแผลที่ศีรษะหรือที่หลังมือและหลังเท้าแล้วถือเอาสมควรอยู่ แม้ตกจะตดอยู่ก็สามารถจะไปทำแผลให้เกิดแล้วก็ถือเอาผ้าบางสกุลมาได้เพราะว่าถ้าเป็นแผลหรือว่าหนังขาดแล้วเนี่ยพวกอมนุษย์ก็จะไม่ข้าไปอยู่แล้วนะจะหมดอะไรละอันนี้ก็เป็นวิธีการในการแย่ถือผ้าบางสกลุลอีกเรื่องหนึง่งถามว่าทิกตุผู้มีจีวรถูกโจรชิงเอาไปพึงปฏิบัติอย่างไร ถ้าเกิดจีวรหายหรือว่าถูกโจรชิงออกไปตอบว่าพึงปฏิบัติโดยในที่กล่าวไว้แล้วในอัญญาตกะวิญญัติสิกขาบทนี้ตามพระบาลีว่าดูความพิกิุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิกษุผู้ถูกโจรชิงจีวรไปหรือมีจีวรหายขอจีวรต่อพ่อเจอเรือนหรือแม่เจเริญผู้มิชญาติได้ถ้าจีวรหายหรือว่าถูกโจรชิงเอาไปก็ขอ จีวอนตอพ่อเจ้ารือหรือแม่เจ้ารือนพูดที่ไม่ใช่ญาติได้แต่ว่าต้องมีข้อแม้ต้องมีข้อแม้เดี๋ยวจะกล่าวถึงข้อแม้เธอเดินไปถึงวัดใดก่อนถ้าจีวรสําหรับวิหารก็ดีผ้าลาดเตรียมก็ดีผ้าลาดพื้นก็ดีผ้าปูที่นอนก็ดีของสงในวัดนั้นมีอยู่จะถือเอาผ้าของสงนั้นไปห่มนึกคิดว่าได้จีวรนั้นมาแล้วจับคืนไว้ดังกล่าดังนี้ก็ควรได้ผ้าของวัด วัดไหนก็แล้วแต่ที่เป็นทางผ่านนี้ก็ถือเอามาก่อนได้ถ้าโป้มาสะโป้มาในต้องอาบัตทุกกฎ ด, ด้วยทาไม่ได้จีวอก็ต้องหาใบไม้หาอะไรปิดบังกายมาแหะถ้าจีวอนสำหรับวิหารก็ดีผ้าลาดเตียงก็ดีผ้าลาดพื้นก็ดีผ้าปูนอนก็ดีของสงไม่มีต้องปกปิดด้วยหญ้าหรือใบไม้เดินมาไม่พึงเปลือยกายเดินมาทิพย์ตูดเปลือยกายเดินมาทิพย์ตูนั้นต้องอาบัตทุกกฎ ก็ในเรื่องนี้มีอนุปปภิกถาดังต่อไปนี้แท้ที่จริงถ้าพวกพิกตุนุมเห็นพวกโจรแล้วถือเอาบาตรและจีวรหนีไปเห็นโจรก็เลยหนีแล้วนะพวกพิกตุน่มนะพวกโจรก็ชิงเอาเพียงผ้านุ่งและผ้าห่มของพระเถระทั้งหลายเท่านั้นไปพระเถระหนีไม่ทันก็เลยถูกโจรเนี่ยชิงเอาผ้านุ่งแล้วก็ผ้าห่มไป พระเถระทั้งหลายยังไม่ควรให้ขอจีวรทีเดียวก่อนยังไม่ควรจัหักกิ่งไม้และเด็ดใบไม้ถ้าพวกพิศนุนมทิ้งหอของทั้งหมดหนีไปพวกโจรชิงเอาผ้านุ่งและผ้าห่มของพระเถระและหอสินของนั้นไปด้วยพวกพิศนุนมมาแล้วยังไม่ควรให้ผ้านุ่งและผ้าห่มของตนแก่พระเถระทั้งหลายก่อน เพราะว่าพวกพิจุผ <emption> ู้มิได้ถูกโจรชิงเอาชีวันไปนั้นย่อมไม่ได้เพื่อจะหักกิ่งไม้และใบไม้เพื่อประโยชน์แก่ตนแต่ย่อมได้เพื่อจะหักกิ่งไม้และใบไม้เพื่อประโยชน์แก่พวกพิษุผู้ถูกโจรชิงเอาชีวันไปและพวกพิจุผู้ถูกโจรชิงเอาชีวันไปย่อมได้เพื่อหักกิ่งไม้และใบไม้เพื่อประโยชน์แก่ทั้งตนเองทั้งแก่คนอื่นถ้าถูกโจรชิงเอา ทีวานไปเนี่ยตัวเองจะหักกิ่งไม้ใบไม้อะไรเพื่อตนเองก็ได้หรือว่าเพื่อคนอื่นก็ได้แต่ว่าคนอื่นที่ไม่ได้ถูกโจรชิงเอาไปเนี่ยจะไปหักกิ่งไม้ ơi. ใบไม้ให้กับพิจุที่ถูกโจรชิงเอาไปนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเถระทั้งหลายพึงหักกิ่งไม้และใบไม้เอาปอเป็นต้นถักแล้วพึงให้แก่พวกพิกจุหนุ่มหรือพวกพิจุหนุ่มหักเพื่อประโยชน์แก่พระเถระทั้งหลายถักแล้วให้ หรือไม่ให้แก่พระเถระเหล่านั้นที่มือตนนุ่งตีเองแล้วให้ผ้านุ่งและผ้าห่มของตนแก่พระเถระทั้งหลายไม่เป็นปาจิตตีเพราะภาคผู้ตะคามเลยไม่เป็นทุกกฏเพราะทรงผ้าธงชัยของพวกเดรธีนั้นก็คือนุ่งพวกใบไม้เปลือกปอกต่างๆเหล่านี้นี่ถ้าไม่ได้มีเหตุอะไรนี่นะเป็นนุ่งนี้ต้องระบาดทุกกดเป็นธงชัยของพวกเดรธี แต่ว่าถ้าเป็นพิกษุที่ถูกโจรชิงจีวรไปนุ่งห่มได้ถ้าในระหว่างทางมีผ้าปูราดของพวกช่ำย้อมหรือพบเห็นชาวบ้านเหล่าอื่นผู้เช่นนั้นเข้าพึงขอจีวรและพวกชาวบ้านที่ถูกขอเหล่านั้นหรือชาวบ้านพวกอื่นเห็นพวกพิกษุนุ่งกินไม้และใบไม้แล้วเกิดความอุตสาหะถาวายผ้าเหล่าใดแก่พิสุเหล่านั้นผ้าเหล่านั้นจะมีชายหรือไม่มีชายก็าตาม มีสีต่างๆเช่นสีเขียวเป็นต้นก็ตามเป็นกัปปิยะบ้างเป็นอกัปปิยะบ้างทั้งหมดพิษตุเหล่านั้นควรนุ่งและควรห่มได้ทั้งนั้นเพราะพวกเธอตั้งอยู่ในฐานพิษตุผู้ถูกโจรชิงจีวรจะนุ่งห่มจีวรชนิดไหนนี้ได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเมื่อไปถึงวันแล้วก็ต้องไปทําให้ถูกต้องถ้าเป็นอกัปปิยะก็ต้องสลับทิ้งไปเอาไปคืนเจ้าของหรือว่าทําอย่างไรก็ได้ให้มันถูกต้องเป็นกัปปิยะ จริงอยู่แม้ในคำภีปริวาระพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าผ้าที่ไม่ได้ทำกับปะทั้งไม่ได้ย้อมด้วยน้ำย้อมทิกษุพึงนุ่งห่มไปได้ตามปรารถนาและเธอไม่ต้องอาบัดก็ทำนั้นอันพระสุคตเจ้าทรงแสดงแล้วปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเสทโมจะนะคถา คาถาที่ทําให้เงือตกหรือว่าเงือไหลเพราะว่าส่วนใหญ่จะคิดไม่ออกจะไม่ได้ดูเฉลยเราคิดไม่ออกก็ทำให้เหงือตกก็เรียกว่าเสถโมชนะคถาจินอยู่ปัญหานี้ท่านกล่าวหมายถึงที่ตุผู้ถูกโจรชิงจีวรเพราะว่าถ้าปกติไม่ได้ถูกโจรชิงจีวรเนี่ยนะเราได้ผ้ามาใหม่นี้ต้องทําพินทุกขกับป่าแล้วก็ต้อง ยอมต้องตัดเย็ดให้ดีให้ถูกต้องตามพระวินัยไม่งั้นก็มีโทษเมีอาบัก ด, ด้วยถ้าไม่ได้ทําผิดรูปกรรมก็ถ้าว่าพิกจุตทั้งหลายสมาคมกับพวกเดรัถีก็คือเคยคบค้ากับพวกเดรถัถีเป็นผู้ที่เคยเห็นเคยไปมาหาตู่กันและพวกเดรัถีนั้นถวายจีวรคากรองเปลือกไม้กรองและผลไม้กรองแม้ผ้าเหล่านั้นควรที่พิจุจับนุ่งห่มได้ ไม่รับเอาลัทธิคือแม้นุ่งห่มแล้วก็ไม่พึงถือลัทธิของเขาก็ไม่มีอบัตสไนแต่ว่าอยู่ในฐานของพิษุที่ถูกโจรชิงชีวอนอนุญาตมีข้อยกเว้นหลายอย่างับตบนี้บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานในคำว่าพิกษุเดินไปถึงวัดใดก่อนถ้าจีวอนสำหรับวิหารเป็นต้นในวัดนั้นมีอยู่จีวรที่มีอยู่ในวัดนั้นพวกพิษุที่ถูกโจรชิงไป แม้ไม่ขออนุญาตจะถือเอานุ่งหรือห่มก็ได้ก็ถือวิสาสะเอาถ้าได้ผ้าแล้วค่อยมาคืนที่หลังก็แล้การ น, นุ่งหรือการห่มนั้นย่อมได้ด้วยความประสงค์ว่าเราได้ผ้านุ่งหรือผ้าห่มแล้วจัดตั้งลงไว้คือจัดเก็บไว้อย่างเดิมก็ต้องตั้งใจอย่างนี้ด้วยนะย่อมไม่ได้โดยการขาดบูค่าคือการถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเลยแต่ว่าเป็นของขอยืมเอาไปเทานั้น ก็แลครั้นได้ผ้าโน้มหรือว่าผ้าห่มจากย่าหรือว่าจากอุปัทาหรือแม้จากที่แห่งใดแห่งหนึ่งอื่นแล้วพึงกระทําให้กลับเป็นปกติเดิมทีเดียวก็คือเอาไปเก็บไว้ที่เดิมเอามาจากที่ไหนก็เอาไปไว้ที่นั้นเทีตุ่ไปยังต่างถิ่นแล้วพึงเก็บไว้ในอาวาตของสงแห่งหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่การใช้สอยโดยการใช้สอยเป็นของสงแต่ถ้าเกิดไปยังที่ไกลพูดเลยกําลังเดินทางอยู่แล้วก็ถูกโจรชิงเอาชีวรไปก็ ไปกับพวกหมู่เกวียนหรือว่าปัจจุบันก็ไปกับรถเขาก็ยังหาผ้าให้ ไ, ได้กับไปนู่นถูกโจรชิงผ้าที่เชียงใหม่เขาก็พาไปถึงนู่นนะลาปาหรือว่าตาหรือว่ากำแพงเพชรนั้นจีวรนเนี่ยยืมที่เชียงใหม่มานะก็ไปถึงกาแพงเพชรแล้วเขาก็หาผ้าให้ไปถือจีวรมาให้ เอาจีวรเก่าทำยังไงลนะ่ะถ้าอย่างนี้จะกลับไปไว้ที่เชียงใหม่อันนี้ก็ไกลเกินไปเพราะฉะนั้นเอาไว้ที่วัดไหนก็ได้เอาไปไว้ที่อาวาสของสงวัดไหนก็ได้แล้วก็ให้ใช้เป็นของกลางหรของสง์ไปไม่ต้องกลับไปคืนที่ที่เลยมาแล้วไม่สามารถจะกลับไปก็ได้เหมือนกันถ้าจีวรสำหรับวิหารนั้นชำรุดหรือว่าหายไปโดยการใช้สอยของพิสูนนั้นไม่เป็นกินใช้นะ ถ้าใช้ถอยตามปกติยืมมาใช้ถูกโจนชิงงจีวอนเอาไปแล้วก็ยืมจีวอนที่ผ่านที่วัดไหนมาก็ขอยืมมาใช้แม้ไม่เจอใครก็หยิบมาโดยวิสาสะแล้วจะเอามาคืนให้ทีหลังถ้าใช้ฝ่ายตามปกติแล้วเสื่อมหรือว่าชำรุดเสียหายไปก็ไม่เป็นสินใช้แต่ถ้าว่าพิกจุไม่ได้ผ้าอะไรอะไรบรรดาผ้าเหล่านี้มีผ้าของกุัลเป็นต้นมีผ้าปูที่นอนเป็นที่สุดมีประการดังกล่าวแล้ว เธอพึงเอาหญ้าหรือใบไม้ปกปิดแล้วมาเธอชนี้แหลชีวรที่ถูกโจรชิงเอาไปถ้าโจรชิงเอาไปสามผืนนะขอกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณนาได้สองผืนเท่านั้นถ้าถูกโจรชิงเอาไปสองผืนก็ขอกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณนาได้เพียงผืนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโจรชิงเอาผ้าไป ผืนเดียวเหลือสองผืนอยู่ห้ามขอห้ามขอกับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนนาร์แต่ว่าถ้าขอกับคนที่เป็นญาติคนปรนนาร์ก็ขอได้แล้วจะจี่ผืนจีผืนก็ขอได้ทั้งนั้นแหละสามผืนสองผืนหนึ่งผืนหรือว่าจะขอห้าผืนก็แล้วแต่แต่ก็ต้องดูว่ามักน้อยสันโดนหรือว่าเสียหายในเรื่องของคุณธรรมหรือปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขอจีวรสําหรับติ๊กตุ๋นที่ถูกโจรชิงเอาผ้าไปต่อไป พิสูไมิพึงให้เขียนจิตรกรรมเพราะมีก้าบาลีว่าดูกรพิสุทั้งหลายเีกตุไม่พึงให้เขียนจิตรกรรมคือภาพสตรีภาพบุรุษรูปใดให้เขียนรูปน้นต้องอาบัตทุกกฎจะให้เขียนรูปภาพสตรีบุรุษอะไรไม่ได้ฉะนั้นพิกตุทำเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นทำรูปสตรีและบุรุษย่อมไม่ควร รูปสตรีและบุตรอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่ควรหามีได้แม้รูปสัตย์เดรฉานโดยที่สุดรูปไสเดือนเที่ตุไม่ควรทำเองหรือว่าสั่งว่าท่านจงทำย่อมไม่ได้ถ่าสั่งว่าอุบาสกท่านจงทำคนเฝ้าประตูจะสั่งอย่างนี้ไม่ได้นะบอกว่าอุบาสกจงทำคนเฝ้าประตูก็คือเขียนคนเฝ้าประตูให้หน่อยอีกไม่ได้ แต่ย่อมได้เพื่อใช้ผู้อื่นเขียนเรื่องทั้งหลายซึ่งหน้าเรื่มใสมีปรกรณ์ชาดกและอสัทถิสทานเป็นต้นหรือเรื่องซึ่งปฏิสังยุตด้วยความเบื่อน่ายทั้งย่อมได้เพื่อทำเองซึ่งมาลากรรมเป็นต้นนะอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยก็คือเรื่องของชาดกเรื่องของ การนี้จะทำให้เบื่อหน่ายแคลนกหนัทหรือว่ามาลากรรมนี้ได้เหมือนกันยอมได้เพื่อทําเองซึ่งมาลากรรมก็คือเขียนรูปภาพดอกไม้ต่างๆอันนี้ก็เรื่องของไม่ให้เขียนรูปภาพสตรีบุรุษแต่ว่าบางกรณีก็คือรูปภาพชาดกรูปภาพที่ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายอันนี้ก็ได้เหมือนกันอีกเรื่องหนึ่ง เพราะมีพระบาลีว่าดูการพิกตุทั้งหลายพิกตุไม่พึงให้พิกตุผู้ยังฉันค้างอยู่ให้ลุกขึ้นรูปใดให้ลุกขึ้นรูปนั้นต้องอบับดุทุกกดสมัยก่อนก็ฉันนี้ไม่พร้อมกันนะใครมาก่อนก็ฉันก่อนเพราะฉะ น, นั้นจะต้องดูที่นั่งไม้เหมาะส ม, มนะถ้าเกิดภาษาน้อยกว่าก็จะต้องเว้นที่นั่งเอาไว้ห่างๆถ้าเกิดไปนั่งนในที่ที่ทททต้นๆ น, นี่พระเถระมานี่ต้องลุกให้พระเถระนะ แต่ว่าพระเทอรสานี้จะไปให้พิจุที่ฉันค้างอยู่ลุกขึ้นไม่ได้มีอวบัตทุกกฎฉะนั้นพิกจุกําลังฉันอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในละแวกบ้านก็ตามในวิหารก็ตามในป่าก็ตามเมื่อการฉันยังไม่เจ็ดไม่ควรให้ลุกในละแวกบ้านพิกจุผู้มาทีหลังพึงรับทิศาแล้วไปถ้าชาวบ้านหรือพิกจุทั้งหลายนิมวลว่าท่านจงเข้าไป ควรบอกว่าเมื่อเราเข้าไปที่ศูนยทั้งหลายจะต้องลุกขึ้นถ้าเห็นพิสูจฉันอยู่ในบ้านพอรับที่การแล้วก็กลับไม่ต้องเข้าไปเพราะว่าเข้าไปเดี๋ยวพิสูจที่อ่อนเป็สากวาก็ต้องลุกทำให้เธอถ้าผู้ที่รักษาตุ่งก็คือเอกาชนะนี่นะเอกาสนิกคังฆะเนี่ยหมายถึงว่านั่งอานะเดียวถ้าเธอลุกทั้งก็อดฉันแล้วมันงก็ไปทําความลาบากให้พิสูจที่อ่อนกว่าเนี่ยนะ ก็ควรจะกลับไปฉันที่วัดก็ถ้าเกิดเขานิมนต์ให้เข้าไปเนี่ยก็ควรบอกว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วพิจูนทั้งหลายจะต้องลุกขึ้นเธออันเขากล่าวว่ามาเถิดครับมีที่นั่งอยู่จึงควรเข้าไปถ้าใครใครไม่กล่าวคําใดๆเลยพึงไปที่อาสนะศาลาแล้วไม่ไปเฉียดยืนอยู่ในที่พิกษุผู้เป็นสภาฆ่ากันเมื่อพิกจูทั้งหลายกระทาโอกาสแล้วเขานิมนต์นเธอว่า นิมนต์เข้ามาเถิดดังนี้พึงเข้าไปก็อย่าพึงเข้าไปทีแรกเดินเฉียดเฉียดตะกอนแต่ถ้าที่อาสนะซึ่งจัดถึงแก่เธอมีพิกจุที่นั่งอยู่ในที่นั้นไม่ฉันอะไรเลยจะให้พิจุนั้นลุกขึ้นควรอยู่ก็คือฉ่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังนั่ ง, งแช่ยังนั่งออรออะไรอยู่เนี่ยนะก็บอกให้เธอลุกขึ้นได้ ทิศตุผู้นั่งดื่มหรือว่าขบฉันยาคูและของเคี้ยวเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเมื่อมีมือว่างก็ไม่ควรให้ลุกคื อ, อยังฉันยาคูหรือว่าของเคี้ยวอะไรต่างๆอยู่เนี่ยก็ไม่ควรให้ลุกเหมือนกันจนกว่าทิศตุอื่นจะมาเพราะว่าเธอนับว่าเป็นผู้ฉันค้างเหมือนกันก็ยังฉันไม่เสร็จก็ถ้าแม้เธอแกล้งล่วงอาบัดให้ลุกขึ้นจนได้ พิสูจนั้นให้พิสูจใดลุกขึ้นและพิสุจนนี้เป็นผู้ห้ามพัดแล้วเธออันพิสุนั้นพึงกล่าวว่าจงไปหาน้ามาดังนี้พิสุดที่อ่อนกว่านี้นะถ้าเกิดพิสูจุ์แกก็เห็นว่าฉันอยู่แล้วก็ให้ลุกขึ้นเนี่ยก็พิสุจที่กำลังฉันอยู่ก็อย่าพึงกล่าวว่าผมฉันอยู่พระแก่มานี้ก็ให้ลุกได้นะ แต่ว่าก็มีความสามารถคืออนุ ญ, ญาตให้ว่าไปหาน้ำมาก่อนจะช่วยไปหาน้านมาให้ทีอย่างนี้ก็ได้นะจริงอยู่ข้อ น, นี้แหละเป็นสถานอันหนึ่งที่พิกษุหนุ่มใช้พิกจุแก่กว่าได้แต่ปกติแล้วพิจูนุมก็จะไม่ใช้พิจูแก่ถ้ามีโทษจะใช้พิจุที่บวชมาก่อนเนี่ยแต่วันในกรณีนี้ก็คือถ้าพระเถระหรือว่าพระแก่กว่ามาให้ลุกจากอาสนะที่นั่งฉันอยู่ก็บอกให้เธอไปหาน้ํามาก่อน ถ้าเธอไม่หาน้ํามาให้พึงปลืนมเมล็ดข้าวให้เรียบร้อยให้อาสนะแก่ทิสุผู้แก่กว่าสมจริงดังพระดํารัสแม้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าบังคับให้ลุกขึ้นทิกสุที่ลุกขึ้นย่อมเป็นผู้ห้ามพัดแล้วพึงกล่าวกับทิสุนั้นว่าท่านจงไปหาน้ํามาดังนี้ถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้พึงปลืนมเมล็ดข้าวให้เรียบร้อยแล้ว จึงให้อาศนะแก่ทิจตุผู้แก่กว่าดูก่อนทิจตุทั้งหลายอันหนึ่งเราไม่ได้กล่าวหมายว่าทิจตุพึงหวงกันอาสนะแก่ทิจตุผู้แก่กว่าโดยปริยายไรๆรูปใดหวงกันรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎ ด, ดังนี้เพราะฉะนั้นทิจตุผู้อ่อนกว่าก็จะต้องให้เตนอาสนะให้อาศนะแก่ทิจตุผู้แก่กว่าแต่ว่าถ้ายัางฉันค้างอยู่ก็อนุญาตให้ใช้ทิจตุผู้แก่ไปหาน้ำมาก่อนมาจะได้มีเวลา ให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ให้อาสนะไปแต่ถึงแม้ไม่ไดเอาน้ํามาพระเถระหรือว่าพระพิสุทที่แก่กว่าไม่ไดเอาน้ํามาให้มะเร็งข้าให้เรียบร้อยแล้วก็ให้อาสนะไปต่อไปก็จะมีเรื่องของอาสนะเสมอกันนะหรือว่าไม่เสมอกันก็มีเพราะมีพระบาลีว่าดุจตอนพิสุทธิ์ทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุนวมกัดผู้สอน นั่งอาสนะเสมอกันหรือสูงกว่าได้ด้วยความเคารพธรรมให้พระเถระผู้เรียนนั่งบนอาสนะเสมอกันหรือว่าต่ากว่าได้ด้วยความา เ, เ, าเมาคารพธรรมดังนี้ทิกตุผู้อ่อนพรรษาวกว่าจะนั่งสวดบนอาสนะแม้ที่สูงกว่าทิกตุผู้แก่พรรษาวกว่าผู้ให้ทิสุผู้อ่อนกว่าสวดจะนั่งบนอาสนะแม้ที่ต่ากว่าก็ควร เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนนี้ก็จะต้องระมัดระวังเหมือนกันเป็นเครื่องเกือนสตินะว่าถ้าผู้สอนต้องนั่งสูงกว่าหรือว่านั่งเสมอกันได้กับผู้เรียนผู้เรียนจะเป็นพระเทระหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ต้องนั่งสูงกว่าหรือเสมอกันได้แต่ถ้านั่งต่ำกว่าไปแสดงกับผู้ที่จะเป็นเถระหรือว่าไม่เถระก็แล้วแต่เป็นญาติโยมหรือเป็นใครก็แล้วแต่ถ้านั่งสูงกว่าไปแสดงธรรมนี้ต้องระบัดทุกกฎ นั่งอาสนะต่ำและพิแดนทำกับผู้ที่นั่งอาสนะสูงมีอบัตทุกดแต่ว่าพระเถระนั้นท่านนั่งฟังธรรมะนั่งเรียนธรรมะจะนั่งอาสนะเสมอกันหรือว่านั่งอาสนะต่ํากว่าผู้สอนก็ได้แม้ผู้สอนจะเป็นนวมต ะ, ะหรือว่าอ่อนกว่าเนน่ยนะด้วยความเคารพในธรรมแต่ว่าถ้าไปนั่งสูงกว่าถึงแม้ว่าไม่มีอบัติแต่ว่าก็เป็นผู้ที่ไม่เคารพธรรมทําไม่เคารพธรรมก็ไม่ถึงความเจริญแล้นะนะ ทำให้พิจุที่อ่อนกว่าแต่ว่าต้องนั่งในที่ต่ําต้องมีอาบัตด้วยแม้ว่าผู้ที่นั่งสูงกว่าฟังธรรมะผู้ที่นั่งต่ากว่าแม้ว่ายังไม่มีอาบัตแต่ว่าก็เป็นโทษแสดงความไม่เคารพธรรมต่อไปเพราะมีพระบาลีว่าดูการพิกูททั้งหลายเราอนุญาตให้พิกจุระหว่างสามภาษานั่งร่วมกันได้ ก็คือปรรษาหนึ่งสองสามหรือว่าสองสามสี่หรือว่าสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเนระหว่าง 3, สามปัานั่งร่วมกันได้แต่ว่าปรรษาหนึ่งจะไปนั่งกับปรรษาห้า น, นี้ไม่เหมาะแล้วเป็นคนละอาสนะกันแล้วเที่ตุจะนั่งบนอาสนะเดียวกันกับเที่ตุผู้ห่างกันสามปัญหาก็ควรชื่อว่าติวัตสันตระติวัตสันตระหรือว่าสมานาสมะสมานาสนะก็ได้นะผู้มีอาสนะเสมอกัน นั่งร่วมกันได้แจะเรียกว่าติวัตสันตระก็คือผู้อยู่ระหว่างสามภาษาเนี่ยพิสูผู้อยู่ในระหว่างสามภาษานะเรียกว่าติวัตสันตระหรือว่าเรียกว่าสมานาสนะก็คือมีอาสนะเสมอกันนั่งร่วมกันได้คือพิสูตใดเป็นผู้ใหญ่กว่ากันหรือว่าอ่อนภาษากว่ากันเพียงสองภาษา ข้อพิจูดใดเป็นผู้แก่กว่ากันหรือมีภาษาอ่อนประกันารภาษาเดียวหรือว่ามีพภาษาเสมอกันในพิจูดเช่นนี้ไม่มีคําที่จะต้องกล่าวจึงอยู่พิกูุทั้งหมดนี้ย่อมได้เพื่อ น, นั่งเป็นคู่คู่กันบนเตียงหรือบนตันอันเดียวกันสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิกูุทั้งหลายเราอนุญาตเตียงละสองรูปตังละสองรูปดังนี้ก็นั่งได้นะ ให้นั่งสองรูปเท่านั้นกินตังต่อไปที่นั่งใดพอแก่คนสามคนที่นั่งนั้นจะเป็นของเคลื่อนได้หรือว่าเคลื่อนไม่ได้ก็ตามทีย่อมควรเพื่อจะนั่งบนที่นั่งเห็นปานนั้นใช่แต่เท่านั้นบนแผ่นกระดานจะนั่งร่วมกับอนุสัมบันก็ควรไม่ใช่แต่เฉพาะนั่งร่วมการสามภาษาเท่านั้นนะ จะนั่งกับอนุสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าภาคเทระก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นอาสนะที่นั่งได้สามรูปขึ้นไปนั่งได้แต่ว่าถ้าสองรูปมีห้ามนั่งถ้าเป็นเตรียงกับตันนั่งได้สองรูปจะต้องนั่งกับผู้ที่มีมีอาสนะเสมือนกันก็คือสมานาชนะหรือว่าติวัตสันตระเนี่ยถ้าเป็นเตียงตังที่นั่งได้สองรูปแต่ถ้านั่งได้สามรูปขึ้นไปก็นั่งกับใครก็ได้อนุสัมพันธ์ก็ได้ สมจริงดังพระดำดาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิจตทั้งหลายเราอนุญาตอาสนะยาวที่จุดมีกําหนดนั่งได้สามรูปก็คือถ้าทพิจดมีกําหนดนั่งได้สามรูปเนี่ยก็เพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิจตทั้งหลายเราอนุญาตให้นั่งบนอาสนะยาวร่วมกับบุคคลที่มีอาสนะไม่เสมอกันได้ก็คืออสมานาชนะ จะเป็นพระพิกจุห้าพรรษาสาิบพรรษายี่สิบรรษาแต่ว่าอีกรูปหนึ่งก็หนึ่งพรรษาเท่านั้นก็นั่งได้ถ้าเป็นอาสนะยาวก็คือนั่งได้สามคนขึ้นไปเนี่ยนะก็สามารถที่จะนั่งร่วมกันได้แต่ถ้าเป็นเตียงตัง้งนั่งได้สองคนนี้จะเป็นนั่งร่วมกับพิกจุที่มีอาสนะไม่เสมอกันไม่ได้แล้วก็เว้นบรรเดาะมาตุคามอุปโตปยันชนกเนียนะถ้าเป็นนั่งอาสนะยาวกับบันเดาะกระเทย กลัมาดูคมก็คือสตรีผู้หญิงทั้งหลายแล้วก็อุปโตบยัญญชนกก็คือพวกคนสองเพศแม้จะเป็นอาชนะยาวก็ไม่ได้แต่ว่านั่งกับพวกอุบาสกพวกเด็กๆที่เป็นผูชายอันนี้นั่งไนดน้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรนั่งร่วมกับบรรดาเป็นต้นแม้ที่อาชนะยาวอันนี้เป็นเรื่องของพระวินยัยซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งก็เป็นเครื่องเตือนสติให้พรนวิตริน จะนั่งจะยืนเดินนอนก็จะต้องมีสติระวังว่าจะมีการผิดพระวินัยไหมสติขั้นศีลที่เป็นพระวินัยนี้ก็จะเกื้อกูลแก่การเจริญสติสัตยานเจริญสติที่เป็นขั้นสมถะขั้นอภิปัสนาเพราะฉะนั้นขอยตั้นทั้งหลายจะเป็นพระสุหรือว่าก็ถักมีจิตอนุเคราะห์ในการที่จะรักษาพระวินยัยแล้วก็น้อมจิตน้อมใจไปในการที่จะศึกษานะประพฤติตามก็จะเป็นความเจริญในพระศาสนา ใ น, ในพระในพระศาสนานี้ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความเจริญด้วยไตรศิกขาอบรมสินรรมสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ทาที่สุดแห่งวัฏฏะทุกได้โดยทั่วกันเทิอนสาธุสาธุสาธุ